เราจะเทียบจิตของพระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันต์ท่านกับจิตพวกเรานี่คืตพวกเรานี่เหมือนยุ่งตีกันพอใจมันยุ่งชกกันยุ่งอยูน่นัน <c oughs> ไม่มีเวลาสงบยุ่งเั็นตลอเวลาอย่างยุ่งเหมือนยุ่งตีกันยุ่งชกกันจิตของ ทันผู้บริสุทธิ์ถ้าจะเทียบก็เหมือนกับน้ำนี่งที่ใสสะอาดเต็มที่แล้วนี่งนี่เพียงเป็นข้อเทียบเทียงแต่จิตนันมันไม่เหมือนน้ำพรไม่ใช่ด้านวัตถุแต่ก่อนเคเป็นติดสภายุเหมือนกันกับพวกเราเนี่ยจิงทุกคนต้องเป็นสภายุล ชกกันอยู่ต่อยกันอยู่ตลอดเวลามันมีกรรมการจะมาตัดสินม่นมีกรรมการไะไจะมาแยกออกทันงันตรงนั้นอ่ะตลอดเวลากรรมการก็ขึ้นเวทีเขาต้งมีนี่วะนอกเมืองเขาขึ้นชกกันบนเวทีเขาต้องมีกรรมการแยกกรรมการตัดสินแต่สภาพจิตสภายุงเรานี่มัน ไม่มีใครแยกใครเพราะต่างคนต่างอยู่บนเวทีสภายุเหมือนกันหมดไม่มีเวลาลงเลยลมดุกุคันก็อยู่บนเวทีนั่นแหละไม่ทราบใครจะแยกใครพเวลาจะมีผู้ไปแยกก็ไม่อยากให้แยกทําไมจะมีผู้จะไปแยกออกเขาไม่อยากให้แยก พอธรรมดาอ่ำวยยุงสภายุงนี่นั่นก็เหมือนยังครูบาอาจารย์หรืธรรมะต่างๆที่ท่านเทศถอนไม่อยากฟังพวกนี้ไม่อยากฟังอืคือไม่อยากแยกค <c oughs> ือยังไงไม่อยากแยกมัมตลุมบอลกันอยู่นั่นทั้งบันทั้งคืนอืมรับตื่นลืมตาอะไรก็ตาม ยุ่งขนาดไหนจขนาดน้ําตาก็ร่วงไปด้วยมันก็ยังทันอยงนั้นไม่ยอมให้ใครแยกคือไม่ยอมเทียบอัดเทียบทำไม่ยอมเทียบเหตุเทียบผลความผิดถูกดีชั่วผลเป็นมายังไงไงมัง่งจึงได้มาเป็นอย่างนี้มันไม่ยอมไปคิดไปอ่านแล้วไม่ยอมฟังใครนอกจากชนมุมเกี่กับความยุ่งของตัวเองความเดือดร้อนวุ่นวายของตัวเองซึ่งเกิอดอยู่ภายในใจโดยเฉพาะว ือไม่ชอบไม่ใครยุ่งไม่ชอบไม่ใครไปแยกผู้แยกก็ได้แก่พระพุทธเจ้าทือครูอาจารย์พระสงฆ์สาวกอรหรันหันแยกออกด้วยเหตุด้วยผดเมื่ออาจด้วยธรรมแต่จิตไม่ชอบธรรมนาจิตสภาด่างนี้มันไม่ค่อยชอบเหตุชอบผล มันเป็นอย่างนั้นมันถึงหาความสุขไม่เจอเมื่อมันยุ่งกันอยู่ตราบใดความสุขก็ ม, มีทางที่จะเกิดขึ้นอยู่ตราบนั้นี่ปีี่เดือนก็ตามนัม่นก็เป็นสภาพที่ไม่เคยเป็นยุ่งกันอยู่ตลอดเวลาอารมณ์ใดเกิดขึ้นก็ทําให้ คล้อยตามมันเชื่อมันไปทุกอย่างเพราะ ม, มีเหตุผลเป็เครื่องทดสอบกันพอที่แย่จะแย่พอที่จะฝืนกันมั่งถ้าพูดเลยสนใจในอนัตธรรมแล้วก็มีทางฝืนอย่างพวกเราทั้งหลายเราคุปฏิบัติครั้งนี้การธรรมนาการปฏิแ บ, บแัติการพื้หัาดตัดแจงคือการกดขรมานจิตใจในิกดถี่บังคับจิตแม่มันคิดแปลที่ต่างๆก็ต้องเป็นการฝืนเป็นความลําบากเราเรียกว่างานอันหนึ่งเราก็ฝืนเราก็ทํา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 ให้จมไปเรื่อยๆหาทางพื้นตัวเองไม่ได้แต่ก็ไม่ยอมเห็นโทษจึงเป็นความลําบากสําหรับโลกที่จะเจอความสุขความสบายมีมากอย่างไรก็มาก่อให้ขอเกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายต่อกันมากเท่านั้นมนุษย์เรามีมากมันต่างาสับสนที่มีจำนวนมากเพราะมนุษย์เราฉลาดแต่ฉลาดเพื่อการปลดเปลื่องทุกข์ ถ้างดในการเห็น อ, อกเห็นใจกันเที่ยงเทียงเหตุผลโลกก็มีความสะดวกระบายแต่นี้ไม่เป็นอย่างนั้นถ้ามีมากขนาดก็ตามก็จะยกเราให้เป็นหนึ่งเสมอการเข้าตัวนี้เป็นที่หนึ่งเมื่อการเข้าตัวมีมากการเห็นคุณค่างคนอื่นก็มีน้อยนอกจากจะเห็นคุณค่างตัวเองเท่านั้นทั้งๆที่อาศัยเพื่นมนุษย์อยู่ด้วยกันคุณค่าทั้งหมดก็มาเข้าตัวเองเสียทั้งหมด เรื่องของมนุษย์ที่เกิดความเดือดร้อนอยู่ทุกวัน <c oughs> หรือตั้งแต่นายจารย์มาก็ก็เห็นนี้เองกอ็รวมแล้วก็เรื่องของกิเลสมันจะเรื่องอื่นใดขันผู้ปฏิบัติธรรมะจึงต้องแยกทีนี้อ่าเป็นมวยก็แยกแล้วทีนี้สมมุติว่าเป็นสภาหยุงเราก็พยายามแยกแยกจิตทั้งเราแต่เพราอย่างยิ่งระหว่างขันกับจิต ที่มีความเกิดความทุกข์ความลําบากในที่จิดใดตรงใดแต่ก่อนที่เราไม่เคยพิจิตริการ์ก็เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นภายในจิตเพราะสิ่ง น, นั้นผิดปกติไม่อยากให้เกิดไม่อยากให้มีไม่อยากให้เป็นไม้เป็นขึ้นมาแล้วก็อยากให้หายความอยากทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องของตัญหาอืมคือความบกพร่องมันหิวมันโหยมันอยากตลอดเวลาแต่อยากในทางที่ผิดอยากอย่างไรก็มากอ ย, ย่างไรก็ยิ่งเป็นกรรม เพิ่มความหิวขึ้นมาผลที่เกิดขึ้นจากความหิวก็คือความทุกข์ผูกปฏิบัติทมจึงไม่ไม่ปรารถนาอย่างนั้นโดยปรารถจาเหตุผลควจะแก้ไขดัดแปลยังไงด้วยหยุกด้วยยาหรือได้อดัดด้วยทำเราก็พิจารณาไปตามเหตุตามผลนั้นควรจะฉีดยาก็ฉีดคนรจะรับทานยาก็รรับทานควาจะยังไงก็ทาไปแต่ระวัง ทางาจิตใจั้งเราไม่ไปยุ่งจนเกินเหยืเกินผลจนกลายเป็นโรคชนิดหนึ่งขึ้นมาภายในจิตใ จ, จยิ่งเป็นของที่หนักมากหรือเป็นความความทุกข์มากยิ่งกว่าโรคทางกายเกิดขึ้นเพราะทุกทางใจเป็นเป็นทุกข์เป็นทุกข์นกหนักทุกทางใจไม่เกิดเพราะอำนาจของจิตเล็ทุกทางร่างกายเป็นเพราะความแปรปรวนของธาตุผิดปกติของท่าตมันก็เกิดขึ้นเนธรรมดาแต่ทุกทางใจนี้ร้อยทั้งร้อยมันเกิดขึ้นเพราะอำนาจของจิเล็กทั้งนั้น เราผู้ปฏิบัติทำจึงต้องได้ช้าเหตุผลอันใดเจ็บคนที่ตรงไหนก็พิจารณาแก้ไขให้ไปตามเรื่องแต่ให้ทราบว่านั่นคือคือเป็นอันหนึ่งซึ่งเรียว่าเป็นสมบัติของเราที่เราได้อาศาัยเท้าแต่เราไม่ถือว่านั่นเป็นเราเีมีความแยกกันแต่เป็นขึ้นบ้างน้อยก็ปฏิบัติกันตามเรื่องแก้ไขกันไปตามความสามารถที่จะเป็นไปได้แต่พยายามรักษาใ จ, ะจะอย่าให้คุ้มเลิก ไปยึดไปถือไปวู่นวายเขาเขามันจะเป็นทุกสองชั้นคือทุกทางกายอันหนึ่งแล้วก็ทุกทางใจเกิดขึ้นเพราะทุกทางกายเป็นเหตุนั่นแหละแล้วก็เพิ่มทุกข์ขึ้นเป็นสองทุกข์ก็ยิ่งเันหนักผู้ปฏิบัติธรรมะจึงไข้ควรอย่างนี้ไม่เหมือนทั่วไปที่ไม่เคยสนใจกับธรรมะเลยแล้วจี่นี้ความทุกข์ก็ต่างกันผู้ปฏิบัติธรรมะมีพร้อมทางหลีก มีกางแยกแยกตัวเองถึงจะเป็นมากก็แบ่งหลักแบ่งเบาตัวพอได้ไม่ได้ยกกันทั้งหมดไม่ได้แบกมันจะทั้งหมดนี่ผิดกันที่ตรงนี้นสอนทำดันสอนโดยถูกต้องผู้ปฏิบัติทำจึงปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมการปฏิบัติปฏิบัติก็ปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันที่มันสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่กับกายของเราตลอดเวลานี่แหละการปฏิบัติที่ไหน เราปฏิบัติตอนส่วนนี้ถูกส่วนอื่นก็ถูกเรืองภายนอกอย่ยงกับคลายๆสิ่งแวดล้อมใดๆก็ตามมันห่างจากตัวของเราอยู่มากไม่เหมือนกับกำลางขันตะกิดซึ่งติดแน่เดียวกับเราเหมือนถือคำว่าสิ่งนี้ว่าเป็นเรามันติดกันอย่างสนิทแยกไม่ออกตามธรรมดาแล้วมันแยกไม่ออกเพราะไม่แยกไม่พยายามแต่แยกเพราะไม่เข้าใจ เมื่อเราได้เข้าใจในอัดในธรรมแล้วเราก็พยายามแยกพยายามพิจารณาให้รู้ตามความจริงของมันาตามสัดการส่วนที่มันเป็นขึ้นมากน้อยแม้มันปกติไม่เกี่ยวข้อยได้ป่วยอะไรก็ทราบว่าธาตุขันธ์มันปกติตามเรื่องของมันเวลาแสดงความแปรปรวนขึ้นมาในลักษณะต่างๆก็ทราบว่าธาตุขันธ์มันแปรปรวนของมันแต่ใจอย่าให้แปร ป, ปรวนไปตามมันเข้าใจไม่มีโรคคนิดนั้นเนี่ยยอ่าหาเรื่องโรคคืออารมณ์ที่เกี่ยวกับ ร่างกายแป่ปรวนนั้นเข้ามาแทรกสินตัวเองนี่มาเสียดแทงตัวเองให้เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาเป็นโรคภายในใจเนี่ยเรียกว่าเรียนเรื่องตัวเองปฏิบัติต่อตัวเองปฏิบัตอย่างนี้ถูกต้องตามหลักธรรมเราก็ไม่เดือดร้อนวุ่นวายมีความสม่ำเสมออยู่ภายในจิตในื่วความตานั้นหมอกใ้ถากใ้ขันไปเพี้ย เรื่องความเป็นดู่ของขันก็มอกให้เขาเป็นดู่ธรรมดาเป็นดู่เพื่อจะไปมีความแปรจากภาพตามหลักธรรมชาติของเขาอยู่ให้มีว่ากลางวันกลางคื น, นเดินเดินนั่งนอนแปรอย่างนั้นเมื่อแปรไปมากมันก็แสดงอาการขึ้นมาให้เราเห็นให้เราสราบว่าทุกกระยะจึงเรียกว่าเรียนกรรมฐานทำงานามมากรรมภาพลนว่าการกระทําฐานะคือที่นี่ทางานในภาในกาย ในใจของเรานี้งานนี้เป็นงานใหญ่โตมากการรื้อพบรื้อขาดรื้อดีเดชคันหาอาสวะจะต้องรู้ที่จิตจะต้องรู้ที่ที่งานเนี่ยคือกรรมาฐานถนัดเสียสาลงมานะขาพันตาตะโจกเป็นต้นจิตมันยึดถือสิ่งเหล่านี้ผมมันก็ว่าเป็นตน เ, แบบเสียเช่นดำดำยาวยาวหรือขาวขาวยาวยาวมก็ว่าเป็นตนเแค่อะไรมีอยู่ในนี้ถือว่าเป็นตนไปทั้งหมด ผมก็ว่าเป็นตนขนเล็บพันก็ว่าเป็นตนเนื้อหนังก็ว่าเป็นตนกระดูกก็ว่าเป็นต้นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างทุกกระปรกโสมมขนาดไหนเต็มอยู่ภายในร่างกายก็ว่าเป็นตนไปเสียเพราะนั้นตนของเราจึงเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกโสมมเมื่อสิ่งทกปรกโสมมมาเป็นตัวของเรานล้วเราจะหาความสะอาดภายในจิตใจได้อย่างไรเพื่อความสะอาดภายนจิตใจจึงต้องอาศัยสิ่งที่ทกปรกโสมมเหล่านี้เป็น ปุ๋ยคือพิจารณาสิ่งเหล่า น, นี้ด้วยปัญญาให้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนไปโดยลำดับมีกองอนิจจังกองทุกขงังกองอนัตตาต่างหากไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอมไม่ใช่ของใครทั้งสิ้นเป็นแต่เพียงาอาศัยกันชั่วยระยะการเท่านั้นพอถึงการผ่านไปของเขาเนี่ยมีแควิญญาณหรือว่าถุกเรียกว่าธรมรมะตัวเองอย่างสิ่งตอนนี้เขากำลังตามแต่ภาพคิดจเราก็ร่วมเย็น เาพิจารณาการพิจารณาส่วนน่างกายอย่างนี้อโด ย, ยสม่ำเสมอจิตขอ ง, งเราก็เป็นยิหารธรรมประการันคือมีความเย็นมีความสบายไม่คุ้มเฟอ้อเหเหืมไม่เดือดร้อนวุ่นวายจิตใจก็มีความสงบร่มเย็นเพราะอาศัยการพิจารณาส่วนต่างๆของน่างกายซึ่งเป็นปัจจุบันเราทำเราเริ่มร่มเย็นเวลาท่านบวชพระ ทำไมไม่ว่าอุปชาใดก็ตามแม้จะมีความสนใจกับกรรมฐานเพียงไรก็ตามกฎข้อบังคับที่เป็นหลักตายตัวของพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนไว้ในขณะที่บวชพระบวชเลนต้องสอนกรรมฐานห้าให้ถึงระยะที่จะสอนกรรมฐานแล้วก็ต้องสอนเจซาลุมานาคานตาตโจตโจดังการนาคาลุมาเจซา สอนอารมพิจารณาแบบอารมพิจารณาปัจจุลมถอยไปถอยมาเพื่อให้เกิดความจำทธิ่นจำนานให้เกิดความเข้าใจอันถูกต้องละเอียดลอเข้าไปโดยลาดับลำดับนี่นอุปชานใดก็ตามเวลาบวชกุณบุตรต้องได้สอนกรรมาฐานเพราะนี่เป็นเครื่องมือที่จน ถือเป็นหลักสำคัญในการถอดถอนกิเลสปัญหาสาระอุปทานทั้งหลายออกได้ต้องสอนนิทานต า, จาตนจปาาัปปนจักกรรมฐานกรรมฐานมีหนังเป็นที่ห้าอันหนึ่ง ข, ข, ข้อเป็นต้นตรวการส โ, โ ก, รการทั้งหมดรวมอยู่ในนี้อันจึงสอนให้พิจารณาผูกพิจารณาอยู่อย่างนี้โดยสม่าเสมอก็ไม่ตื่นเต้นไม่เหืเม รู้ตามความจริงทั้งคำหลอกคำในเพราะเป็นสัพพเหมือนเหมือนกันกลัวผีกลัวปัดจะกลัวที่ไหนผีที Golden> ่ไหนมันมีนอกจากความคิดความปรุงของจิดมันหลอกตัวเองผีกับผีเนี่ยป่าช้าในนี้ร่างกายของเรามันบรรตุอะไรเข้าไปไว้ไม่มีกี่ซากกี่ศพสัตว์กี่กระเพืมันก็ไปบรจุไว้ในป่าช้าผีดิบอันนี้ รูกพี่อันนี้แา้วจะไปตื่นเต้นหลงไหลอะไรก็ับป่าชาติที่ไหนอีกอืมออกันนี้ก็เดินเข้าไปเตาไฟเตาไฟมันเป็นที่เผาอะไรมั่งแล้วก็ดูสิครัวไฟเรานะั้นเราไม่เห็นกลัวอะผีภายนอกตัวซากกกซากเสียดซากฟูสากกาอนะไรน้นมันเต็มอยู่ในครัวมองเห็นเป็ดไก่ไม่เห็นกลั ว, ลวเอาเข้ามาบรรจุไว้ในที่นี่ฝังกันไว้ในที่นี่ก็ไม่เห็นกลัว นี่ก็เพราะความเข้าใจของเรามันเสแสร้งต่างต่างที่จะให้เกิดเป็นภัยแต่ตนเองนึงกลัวผีความกลัวมันก็เป็นภัยอันหนึ่งเป็นเครื่องบีบคั้นจิตใจให้รับความลำบากลาบนเมื่อเราพิจารณาเห็นตามความจริงแล้วมันก็ไม่กลัววอาอืมได้คติอันดีด้วยวินาเนี่ยเยี่ยมปลาช้าทุกวันทุกวันมีอะไรนี้ป่าช้าพิจารณาจนเห็นแจ้งแจ้งชัดเจน เร่องอุปทานมันจะอย่างลงลึกขนาดไหนก็ตามเถอะถ้าลงปัญญาและพิจารณาส่วนร่างกายนี้ให้เห็นตามความจริงโดยสม่ำเสมอพิจานาแล้วพิจารณาเล่ามันจะเกิดความสำนึกชำนาญเกิดความคล่องแคล่วแก่กา้ขึ้นมาโดยลําดับลาดับแล้วอุปทานก็จะค่อยหมดไปหมดไปคาว่าอุปทานคือจิตไปเที่ยวยึดนั้นยึดนี้ไม่เป็นตัวของตัวแต่ว่าอันนั้นเป็นเราอันนี่เป็นของเราไปเที่ยวอาศัยอยู่ินนั้นอาศัยนั้น ตัวเองไม่มีอำนาจตัวเองไม่มีวาาัฒนาตัวเองไม่มีหลักมีเกณฑ์ต้องอาศัยสิ่งเหล่า น, นั้นมาเป็นอำนาจวัฒนามาเป็นตัวของตัวแล้วมันก็เดือดร้อนเพราะมันผิดเมื่อพิจารณาแยกแยะถึงนั้นเห็นตามเป็นความจริงแล้วเราก็มาทรงตัวเราได้ไม่ต้องอาศัยพึ่งผิงกับเขานีเราก็เป็นตัวของเราขึ้นมาภ า, ายในใจแต่ก็สงบโร่งเย็นนี่ท่านสอนกรรมฐานท่านสอนอย่างนี้ให้พิจารณาอย่างนี้พิจารณามากเพียงใด จิตยิ่งมีความกระจ่างแจ้งไปโดยลหดับทะลุบุกฝ่งไปทั้งภายนอกภายในเป็นความสง่าผ่าเผยองค์อาจก้าหารอยู่ภายในจิตใจเวลาทำนา จ, จริงๆงมีตามความจริงร่างกายของเรานี่พอกำหนดปั๊บเท่านั้นมันจะทะลุไปทันทีทันใดไม่ว่าจะร่างกายของสัตว์ของบุคคลภายนอก หรือไม่บาจะร่างอันไหนเหมื่อการพิจารณาของเรามีความสนิทข้นนานแล้วมันจะพุ่งทะลุไปทะลุไปอย่างรวดเร็วหรืว่ได้อย่างใจมองเห็นสัตว์เห็นบุคคลนี้มันจะได้มองเห็นธรรมดาของสัตว์ของบุคคลที่เป็นอยู่นั่นเละมันจะมองเห็นแบบกรรมาฐานแบบที่ตนได้เคยพิจารณาแล้วอย่างไรนั่นแหละประจับภายจิตใจพอกําหนดปา้าอนี้มันจะวิ่งเข้าถึงจุดที่ตนเคยพิจารณาอย่างไร แล้วเห็นชัดเจนอย่างนั้นภายในใจของตัเองอย่างรวดเร็วนี่คือความทํานาญเราเขียนหนังสือทีแรกเขียนแล้วลบๆบแล้วเขียนไม่เป็นตนเป็นตัวเราเพิ่งหัดนี่ <c oughs> อ่านแล้วลืมลืมแล้วอ่านเขียนแล้วลืมลื ม, ลมแล้วเขียนนมันไม่เป็นตนเป็นตัวเขียนไปเขียนมาก็เริ่มเป็นตนเป็นตัวอ่านก็ออกเขียนได้ไปโดยลำดับต่อไปหลับตาเขียนก็ได้เพราะความทํานาน เวลาจะอ่านต้องลืมตามันติดกันที่ตรงนี้เ่า น, นั้นทำงานขนาดไหนก็ตามการอ่านหนังสือต้องลืมตาไม่ลืมตามไม่เห็นขีดกับการเขียนการพิจารณาทางด้า น, นปัญญาในส่วนตา่างๆที่ท่านเรียก ว, ว่ากรรมฐานนี้หลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นพิจารณ า, าเพราะปัญญาเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นตาา่างๆนี่ท่านเรียก ว, ว่ากรรมฐานงานหรือหลกรือสงสารหรือพบหรือฆ่า ด้วยกิเลสขันหาด้วยโดยการพิจารณาอย่างนี้เพราะฉะนั้นกรรมาฐานมีกรรมาฐานห้าเป็นต้นจึินเป็นความจําเป็นเวลาพระท่านบวชต้องอาศัยกรรมาฐานนี้เป็นอาวุธสําคัญฟาดฟันกิเลสันหาอสุราความหิดมันถืมมันสํ า, าคัญว่าสวยว่างามว่าเป็นนิจจังคือความเที่ยงถาวรเป็นสุขเป็นอัตตาทําลายกองสมมุติเหล่านี้มันแตกกระจายไปจากจิตใจจิตใจจะได้เข้ามาเป็นตัวของตัวเพราะเห็น ถูกต้องตามหลักธรรมจะไม่ไปยึดสิ่งนั้นซึ่งเป็นของปลอมว่าเป็นตัวขึ้นมาแล้วกับตัวก็เลยกลายจะเป็นผู้ปลอมเส้นเดียวกับสิ่งนั้นแต่เสียหาหลักหาเจนไม่ได้เนี่ยท่านสอนนี้สอนเพืให้ได้หลักได้เจนรู้ตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นนะจิตก็ามาเป็นตัวของตัวขึ้นโดย ล, ลําดับลำดับแล้วข่อยเย็นปฏิบัติธรรมแบบนี้เย็นอีู่ไหนก็เย็นสติปัญญาผลิดขึ้นทุกวัน รู้เท่าทันอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์ต่างๆนิ้วมือหมวกเทีกายแม้อารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจก็ทันอาตติปัญญาอยู่กับตัวแล้วทันเท่างนั้นแต่ก่อนมันไม่ทันอืคิดเออจนร้อนเป็นฟืนเป็นไฟมันก็ยังไม่ทราบว่าอะไรผิดขึ้นมันขึ้นมาเพราะมันสติไม่ทันปัญญาไม่มีหรือปัญญาไม่ทัน ถ้าเราผิดขึ้นมาสติก็มีสติก็แก่กล้าปัญญาก็สามารถทีนี้อะไรมาสัมผัสภายในตาหูจมูกลิ้นกายหรือตุมขึ้นภายในใจิตใจจึงเป็นเหมือนกับว่าปลุกสติปัญญาขึ้นทันทีทันใดในขณะที่สัมผัสนั่นแหละคือขณะที่ปลุกสติปัญญาขึ้นมาพร้อมให้รู้เท่าทันและพิจารณากันอย่างรวดเร็วแล้วปล่อยวางได้อย่างทันอกทันใจนี่คือความคล่องแคล่วของสติปัญญาที่พิจารณามาเป็นสติปัญญาที่เรียงไกลมาก กติกปัญญานี้เป็นเครื่องมือที่ชังหารสายพิเลฒมันก่อขึ้นมาตั้งขึ้นมาอืเป็นพกเป็นฉาดออกแม่แผ่ลูกแผ่หลานขึ้นภ า, ายในจิตใจของเราต่างบ้านตัางเลอนอยู่ที่นี่ภ า, ายในจิตใจของสัตว์โลกนี่เวลาเราเย็นอัดเย็นทำปฏิบัติทำแล้วกตั้งกองทัพขึ้นมาเป็นเครื่องต้านทานเป็นเครื่องรบฟัน หันแหลกกันลงไปลงไปจนกระทั่งกองทัพกิเลสเม่อว่าลูกว่ล้านเมื่อว่าปูยา่ย่าตายายของมันทําลายลงไปจนหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในใจิตใจภพชาติหมดไปเองอความสุขไม่ต้องไปต้องเลือกหาที่ไหนเหมือ่อกิเลสตัวก่อเหตุให้เกิดความทุกข์ความทรมานมันสลายตัวลงไปมากนะ้อยความสุขก็เปิดขึ้นมากิเลสสลายตัวไปหมด ความสุขก็เป็นตัวสภายในจิตเพราะจิตนั้นไม่มีความสุขพร้อมชีเดชมาแย่งเอาไปกินหมดอืขนทุกข์มาให้เรามีพอค่าที้เดนลงไปจนกระทั่งชี้เดชตายหมดแล้วความสุขก็แสดงขึ้นมาอย่างเป็นภูมิท่านเรียกว่าปรามังสุขขังอะไรปรามังสุขังก็คือจิตนี่เป็นสุขอย่างยิ่งอย่างยอดอย่างเยี่ยมไม่มีอะไรจะสุขยิ่งกว่าจิตเด่นในโลกนี้คือเด่นจิตเป็นสุขเพราะความมือสุดของตน เขาไม่มีอะไรมาแบ่งสันตันส่วนเอาไปเป็นธรรมล้วนๆธรรมโมปิโปก็หมายถึงคือความสว่างสมัยอย่างธรรมก็หมายถึงจิตที่พ้นแล้วจากสิ่งกดท่วงหรือปกปิดกำบังข้างหลายเป็นธรรมชาติที่สว่างเป็นตัวภายในตัวเองนะธรรมโมปิโปจะหมายถึงอะไรเป็นธรรมถม้หมายถึงจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆเป็นธรรมตั้งแท้ไม่มีอย่างอื่นเป็นที่หมายอันนี้รู้อยู่กับตัว จิตประเภทนี้แหละจิตที่ที่ทกล่าวในในบางตนว่าถ้าเป็นน้ำก้อนหนึ่งใสสะอาดรสชาติก็ออกลมกล่อมจืดเน็ดไม่มีที่ต้องติหมดท้งต้องติมันเียเป็นสภายุงอีกเนี่ยลายมันออกสภายุงพนจนจิตใจ อ, นนอันเป็นน้ำนิ่งสมบรู้อยู่อย่างนั้นใน็รุในไหนก็สว่างสวัยเนี่ยที่เคยพูดว่าถ้าเอาเป็นด้านวัตถุแล้วยกออกไปแข่งกับโลกลองดูสิโลกไหนในสามโลกระ t านนี้จะมาแย่งชัยชนะไปได้ไม่มีแพ้กันอย่างล่ากราบว่าอย่างสนิท ตาเห็นได้ชัดว่าอ๋อทำแค่เป็นอย่างนี้เอา้าหูก็ได้ฟังชัดว่าทำท่านประกาศคุณภาพแห่งความจริงออกมาอย่างนี้อย่างนี้พร้อมกับตาก็เห็นทำมันอัศจรรย์นั้นด้วยหูก็ได้ยินเสท่านแสดงกังวาลออกมาด้วยเออว่ายังไงแล้วใครซึ่งต้องการความสุขความเจริญต้องการงดีพิเศษอยู่แล้วแต่ปฏิเสธได้ไม่มีในโลกนี้ไม่ไม่มี แต่นี้ทําให้เป็นอย่างนั้นประกาศอย่างนั้นแสดงตัวอย่างนั้นไม่ได้โลกไม่อาจมองเห็นได้โลกไม่สามารถมองเห็นได้เพราะฉะนั้นจึงต้องกําดํากําขาวไปเช่นเดียวกับเจ้ากับท่า น, ท, นทั่วโลกตัวสงสารแต่ตำหนี้ก็ตำหนี้ไม่ลงใครต้องการความสูกความวิเศษวิษโสด้วยกันแต้มเมื่อวิสัยไม่สามารถอาจรู้อาจเห็นได้มันก็จําเป็นต้องงมไปเ ป, เป็นธรรมดาเี่ย อย่เมื่อเราปฏิบัติก็พยายามมันก็ทราบอยู่กับตัวใครไม่รู้ก็รู้อยู่กับตัวโดยเฉพาะอะกาศทั้งคนอื่นเห็นสแสดงคนอื่นเห็นไม่ได้แต่ก็สแสดงอยู่กับตัวตลอดเวลาอากาศรีโกเนี่ยธันวาทําแพ้อยู่กับหัวใจเรานี่แหละอยู่กับผู้รู้นี้ไม่อยู่ที่ไหนไม่กําหนดลงไปในจุดนี้อันใดที่มาเกี่ยวข้องพอพันกับธรรมชาตินี้ ทึ่งทำให้มัวหมองไปพยายามแก้ไขพยายามปาาัดเป่าแยกแยะ ก, กันด้วยสติปัญญานี่แหละธรรมสาระคือใจนี่แหละตึ้งสาระยอดแห่งความสาระคือใจยอดแห่งความไว้วางใจก็คือใจที่สิ้นสิ่งที่จองกองทั้งหลายแล้วศาสนาท่านสอนลงทั้งหมดรวมลงที่นี่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 คำที่จะพูดต่อต่อไปมายุติหนึ่งปัญหาทั้งหมดที่เอิดวันนี้แสดงเป็นตอนนี้พอสกควร